ส่วนใจเนี่ยนะมณะคือคืองามดีงามเพราะประกอบด้วยปีติและโสมนัตของบุคคล น, นั้นมีอยู่ฉะนั้นบุคคล น, นั้นชื่อว่าสุมโนมีใจดีความเป็นแห่งสุมาณะชื่อว่าโสมนัตเป็นอินทรีย์เพราะทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งความยินดีของเจตสิกโสมนัตนั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าโสมนัตสินทรียคือใจดีอ่ะนะแปลว่าใจดีหรือดีใจตามศัพท์นี้เขาพูดแต่ใจดีอ่ะนะ แต่ถ้าแปลแบบไทยๆเรียกว่าดีใจโธมานะสาสากะตังอะนะก็ดีใจอนะไม่ได้แปลว่าใจดีนะแปลว่าดีใจแต่ดีใจกับใจดีก็อยู่ไม่ใกล้กันอะเนาะก็นนะที่เขาบอกกันนะบางคนเนี่ยไปขอสตังแม่นะเขาทําให้แม่ดีใจก่อนเสร็จแล้วค่อยขอสตังบางคนเขารู้ทางเลยเช้นี่เนี่ยมาพูดอย่า ง, งานี้เนี่ยเสียสตังอีกแล้ววันนี้เหมน <c oughs> แม่บางคนนะเขาลูกเขานอนคุยอยู่ด้วยครึ่งคืนนะหมดไปเป็นแสนไม่ให้ก็สงสารลูกมันก็ว่า มันก็ลูกคนนั้นก็เก่งหน่าดูนะทำให้แม่สบายใจก่อนนะนะหลังจากนั้นก็เป่าร่วงหมดเลยแต่ถ้าตอนเครียดเนี่ยนะบาทเยี่ยวไม่ได้ก็ต้องทำให้อีกฝ่ายใจดีก่อนใช่แล้วสบายเนี่ยตอนเขาโรมนัดมากอ่าไปขอเลยลำบากส่วนเขาบอกว่ามณะคือใจเนี่ยมันชั่วเพ ร, ราะประกอบด้วยโรมนัตเสวทนาของบุคคลนั้นมีอยู่ฉะนั้นบุคคล น, นั้นชื่อว่าทุม โ, มโน มีใจชั่วเนี่ยนะความเป็นแห่งทุมณะตชื่อว่าโทมนัตเป็นอินทรีย์เพราะทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งความไม่ยินดีของเจตสิกโทมณัตนั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าโทมนัตเสินซีไม่ไม่โสมนัตเลยนะมันไม่ดีเลยอะ่ะไม่สนุกเลยไม่โสมนัตเลยทุกมากเป็นใหญ่ในความทุกข์จริงๆเลยนะมันทําให้จิตเป็นทุกข์ได้อะ่ะเดื อ, รอดร้อนอย่างนั้นแหละ ส่วนธรรมชาติใดย่อมแพ่งความเป็นไปแห่งอาการของสุขเวทนาและทุกขเวทนาย่อมเป็นไปโดยอาการนั้นเพราะตั้งอยู่ด้วยอาการแห่งความเป็นกลางฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอุเบขาเป็นอินทรีย์เพราะทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งความเป็นกลางอุเบคานั่นแหลเป็นอินทรีย์ชื่อว่าอุเบกินทรีย์หมายคาอว่าไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งโสมนัสและโทมนัสคาว่ากลางในที่นี้กลางกลางระหว่างโสมนัสกับโทมณัสนั่นเอง ส่วนสัตทิตตินรีย์ก็บอกบุคคลย่อมเชื่อด้วยธรรมชาตินั้นหรือเชื่อเองฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าศ ร, รัทธาอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติศักว่าความเชื่อนั่นแหละชื่อว่าศ ร, รัทธาเป็นอินทรีย์เพราะอาธรรมว่าเป็นอธิบดีครอบงำความไม่เชื่ออีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะกระทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งความโน้มใจ ศรัทธานั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าสัตทินทรีย์เนี่ยนะเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อศรัท ธ, ธาที่โมโหศรัทธานี่ลักษณะน้อมใจน้อมใจเชื่อเลยนะก็ทีนี้ว่าสําคัญที่สุดก็คือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อนี่สําคัญที่สุดไหมถ้าไปเชื่อโดยเฉพาะเชื่อพระรัตนตรัยก็ไม่มีปัญหาไม่มีโทษในภายหลังแต่ไปเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยนะโดยมากก็โทมนัสในภายหลัง ส่วนความเป็นแห่งความกล้ากล้าชื่อว่าวิริยะหรือการงานแห่งบุคคลผู้กล้ากล้าทั้งหลายการงานแห่งบุคคลกล้าชื่อว่าวิริยะใช่ไหมหรือพึงขวนขวายคือพึงเป็นไปด้วยวิธีอันเป็นอุบายเครื่องนาําไปเป็นอินทรีย์เพราะถ า, าว่าเป็นอธิบดีครอบงามความเกียรติคร้านอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งความเพียรวิริยะนั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าวิริยนินทรีย์ คือเป็นใหญ่ในความความเป็นผู้กล้าความขวนขวายเนี่ยนะเป็นอธิบดีครอบงมความเกียดคร้านอันลักษณะนั้นแหละชื่อว่าความเพียรก็าบางคนเนี่ยเขาเป็นเป็นคนเพียรจริงๆเลยนะบางคนเนี่ยเพียรมากพ้นจะตกแดดจะออกบรรยากาศยังไงก็ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะกเป็นคนกล้าจริงๆในเรื่องนั้นๆนะแต่ละคนนะมีความเพียรแต่ว่าเพียรกันคนละเรื่อง่นั้นเอง บางคนทําบางอย่างนั้ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ะทำอยู่นั่นแหละบาปบันอยู่นั่นแหละใครจะห้ามก็ไม่ยอมพวกในสิ่งนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เขามีความเพียรบางคนเนี่ยเรื่องมันไม่น่าสนุกทําให้เดินลุยฝนไปอย่างงี้นะอันนี้อาศัยอะไรอาศัยความเพียรเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะก็ในห้องเราก็มีคนที่เพียรเพียรอยู่หลายคนด้วยกันไหมชื่อเพียรยังมีเลยแต่ทั้งข้างในทั้งข้างนอกอ่ะได้สองเพียรในวันนี้บุคคลย่อมระลึกได้ด้วยธรรมชาตินั้น หรือระลึกเองฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสติอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติสักว่าความระลึกได้นั่นแหละเป็นชื่อว่าสติอินทรีย์เพราะอาัถาว่าครอบงําความเผลอสติอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งการตั้งมั่นสตินั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าสติินทรีย์เป็นใหญ่ในการตั้งมั่นอุปทานเนี่ยนะที่เราว่าตั้งมั่นเนี่ยอุปทานตั้งมั่นในอะไร ก็คําว่าตั้งมั่นถ้าไม่เผลอเร่กับการตั้งมั่นเนี่ยถ้าไม่เผลอเร่เนี่ยอธิบายในลักษณะว่าไม่เผลอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมฝ่ายดําอะไรเป็นกรรมฝ่ายขาวไม่เผลอโดยประการทั้งปวงถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่เผลอแต่ถ้าบอกว่าตั้งมั่นอันนี้ตั้งในกายเวทนาจิตธรรม สติที่ตั้งในกายเวทนาจิตธรรมปัญญาก็วิจัยกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นอันนี้ลักษณะอธิบายว่าตั้งมั่นตัวในครั้งนังนะถ้าไม่เครอบงำความเผลอเรอคําว่าไม่เผลอเรอหรือระลึกได้ในที่นี้ก็คือระลึกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นดำฝ่ายดําฝ่ายขาวเป็นต้นเนนีะ่ยนะแยกแยะบุญแยกแยะบาปดีชั่วเป็นต้นนี้แหละเรียกว่า มีสตินะส่วนตั้งมั่นคือตั้งในกายเวทนาจิตธรรมแล้วสติที่ตั้งมั่นปัญญาก็พิจารณากายเป็นอสุภะเวทนาเป็นทุกข์จิตไม่เที่ยงธรรมเป็นอนัตตาก็คือขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองธรรมชาติใดย่อมทรงไว้ย่อมตั้งไว้ด้วยดีซึ่งจิตในอารมณ์ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมาธิตั้งจิตเอาไว้ด้วย ด, วยดีในอารมณ์โดยที่ไม่ เกเรนกลมกระจัดกระจายวุ่นวายเนี่ยนะเป็นอินทรีย์พระาธารมว่าเป็นอธิบดีครอบงำความซัดยสายไปในอารมณ์ต่างๆอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะทําความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งความไม่ซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆสมาธินั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าสมาธินินทรีย์ไม่สัตสายไปนะไม่ใช่เจริญพุทธานุสติด้วยคิดถึงเพื่อนด้วยอันนี้สายแล้วใช่ไหมก็มีคนหนึ่งเขา อ, อ่านธรรมานี่อ่านไปอ่านมานะอ่านด้วยคุยกับเพื่อนด้วยทางความคิดนะนี อ่านไปคุยกับเพื่อนไปอ่านไปคุยกับเพื่อนไปก็เลยวันหนึ่งเขา อ, อ่านได้ไม่กี่หน้ามัวแต่คิดถึงเพื่อนเนี่ยนะพวกนี้แหละสมาธิไม่ดีใช่ไหมคือไม่ต่อเนื่องในเรื่องนั้นๆบอกคนที่มีสมาธิฟังดีเนี่ยนะคืออย่างเช่นฟังธรรมเนี่ยเขาไม่คิดเรื่องอื่นเลยคิดไปตามพยัญชนะไปเรื่อย ๆ, ๆนะที่พระองค์อะไรเธอจงฟังจงสายใจให้ดีเราจะกล่าวคือเขาเออ โสตวิญญาณเขาโสตทาวารมิถีของเขาเนี่ยได้ยินเสียงพระพุทธเจ้ามโนทวามิถีเขาคิดแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะอันนั้นเป็นเป็นผู้ที่มีสมาธิดีในการฟังธรรมเขาเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งในการเจริญกรรมฐานก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็คือเป็นไปในกรรมฐานตั้งมั่นในเรื่องนั้นนะตัวสติสมาธิวิริยะเนี่ยนะเป็นสมาธิขันเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นตัญญานี่เป็นตัวที่เข้าไป วิจัยในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสติสมาธิที่เป็นสมะถะตั้งมั่นในอารมณ์ใดปัญญาก็วิจัยในอารมณ์นั้นเนี่ยนะก็วิเคราะห์อารมณ์นั้นโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นเองไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นอนัตตาเพราะเหตุนี้เป็นต้นธรรมชาติใดย่อมรู้อริยสัจโดยในเป็นต้นวันนี้ทุกฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าปัญญา คือรู้ว่านี้ทุกนี้รู้ว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขังนิโรธถ้าขามิมีปฏิปทาอันนี้แหละเป็นปัญญาแต่ในทศกถ t h a ท่านกล่าวว่าชื่อว่าปัญญาเพราะประกาศถ้าไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังเป็นไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข อ, อนัตตาไม่ใช่อตตาคืออันนี้ถ้ากล่าวอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี้ใช้กับสัจจะไหนเป็นหลักใช้กับทุกขะสักเป็นหลักนะ แต่ที่บอกว่าธรรมชาติใดรู้อริยสัจก็คือแทงตลอดอริยสัจสี่ประการใช่แต่ถ้าบอกอ น, นิจจังทุกขังอนัตตก็โดยมากวิเคราะห์ทุกขสัจชื่อว่าอนัญญาตัญยัสมีตินีเพราะเกิดแก่พระโยคีบุคคลผู้ปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจะรู้พระนิพพานอันเป็นอมตะบทอันไม่เคยรู้ในสังสารวัฏอันยาวนานหรือจักรู้สัจธรรมสี่ดังนี้เท่านั้น และเพราะมีอัตว่าเป็นอินทรีย์ชื่อว่าอินทรีย์เนี่ยก็เป็นใหญ่ในการเห็นใช่ไหมเห็นพระนิพพานที่ไม่เคยเห็นมานานเต็มทีเลยเนะี่ยใหญ่มากในการเห็นนิพพานเนี่ยเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในสังสารวัตรอันยืดยาวนานเพราะอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์เป็นชื่อของโสดาปฏิมขยานก็คือสัมมาทิฏฐิในโสดาปฏิมสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย บรรลุก็ยากไม่น่าชื่อมจายากอย่างนี้แหละส่วนอันยินรีย์เนี่ยนะเพราะเป็นอินรีย์ที่รู้ทั่วถึงเพราะรู้สัจธรรมสีอันมักนั้นรู้แล้วไม่ก้าวล่วงขอบเขตอันปฐมมัมมักรู้แล้วและเพราะอัฏฐาว่ามีอัฏฐาว่าเป็นอินทรีย์เนี่ยนะคืออินรีย์ที่เหลือเนี่ยนะอันยินทรีย์เนี่ยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของโสดาปฏิผลสกาธาคามีมักสกาธาคามีผลอนาคามีมักเนี่ยนะอะไร อนาคามีผลอรหั ต, ตมักหนึ่งมีอยู่หใช่ไหมโลกุตระธรรมอ่าโลกุตระ ม, มีแปดใช่ไหมโลกุตระมักสี่โลกุตระผลสี่โลกุตระมักอันเรกโสดาปฏิมากเรียกว่าอนาญาตัญยสามีตินสีส่วนอรหัตผลเป็นอันยินอันยินสีอ่าอันยาตาวินสีไอ้ระหว่างกลางหกนั่นแหละเรียกว่าอันยินสี สุดที่ชื่อว่าอัญญาตาวินศรีเพราะเกิดแก่พระขีนาศพผู้รู้ทั่วถึงแล้วคือมีกิจในจตุสัจญานเสร็จสิ้นแล้วกิจในอริยศาส์นี่เสร็จแล้วของเราได้กี่กิจแล้วกําลังศึกษาอยู่ก็ยังไม่ได้สักกิจเลย <c oughs> ชื่อว่าอัญญาตาวินศรีเพราะสําเร็จความเป็นใหญ่ในระหว่างแห่งธรรมทั้งหลายอันพระขีนาศพผู้รู้ทั่วถึงแล้วคือผู้มีจิต ในสัตจักรสี่เสร็จแล้วแทงตลอดสัตจักรสี่อัญญาตาวินสีนี้เป็นชื่อแห่งอรหัตผลวิธีคิดเรืสีเนี่ยนะเขาแบ่งเป็นอย่างนี้อินสี์ที่เป็นเป็นเหตุอินสียที่เป็นเหตุคือตาจักขุนสีใช่ไหมจักขุนสีโสตินสีคานินสีเจวียนสีกายินสีและมะนินสี อินซีพวกนี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นเหตุทีนี้อินรีย์เหล่านี้เนี่ยนะของบางคนนี่เป็นอะไรอิดทินรียบางคนเป็นปุริเซนซียแล้วก็ต้องมีตัวที่เข้าไปรักษาอินทรียพวกนี้อีกเรียกว่าชีวิตติมรียเป็นเป็นชีวิตใช่ไหมว่าเพราะเพราะอิดทินรียก็คือเป็นใหญ่เนี่ยตาก็ตาหญิงหูหญิงจมูกหญิงลิ้นหญิงกายหญิงตาหญิ ง, ญงเนี่ยนะ หรือถ้าเป็นระชายก็ตาของผู้ชายหูของผู้ชายจมูกลิ้นกายของผู้ชายเป็นต้นก็เป็นพวกอินทรีย์ที่เป็นปุริสินทรีย์ส่วนชีวิตอินทรีย์ก็คือเป็นอินทรีย์ที่รักษาจากขุนรีโสตินทรียคาณินทรีย์ชิวหินทรียายินทรีย์มนินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตอินทรีย์นี่เป็นอินทรีย์ที่รักษา อ, อินทรีย์พวกนี้เป็นเหตุมันเมื่อผลของอินทรีย์เหล่านี้คืออะไรผลของกายแบ่งออกเป็นสองคือสุขขินทรีกับทุกขินทรีอันนี้เรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นเวทนาห้าอินทรีย์ที่เป็นเหตุแปดนะว่ารวมๆนะกลุ่มเหตุอินทรีย์ที่เป็นเวทนานี้มีห้าส่วนจกักขุโสตะคานะชิวหาพวกนี้ได้กี่ไอเด่งอุเบกอุเบกขาอย่างเดียว ตรงๆนะเป็นว so so ัตถุแห่งอุเบกขาสูตรมนินรียเป็นวัตถุแห่งโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเนี่ยนะได้ได้สามอย่างตัวตัวมณินซีเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสอุเบกขาได้อินซีห้าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นเวทนาอีกห้าอินซียหลักนี้เนี่ยนะถามว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมอินรีย์ see, พวกนี้เป็นอินรีย์ที่มีอยู่ในวัตตะที่เป็นทุกขสัพท์ ทีนี้เมื่อเห็นของอินทรีย์หลังนี้แล้วเนี่ยจะต้องเจริญอินทรีย์เพื่อกําจัดอินทรีย์เหล่านี้ใช่ต้องการจะทําลายอินทรีย์เหล่านี้อินทรีย์ที่เป็นเวทนานี i ก็เป็นอินทรีย์ที่เป็นผลอินทรีย์แเป็นเหตุอินทรีย์ห้าเป็นผลทีนี้เอซีที่เป็นข้อปฏิบัติอินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุมีสะมีห้าคือสัตทินรีย์ศรัทธาวิริยินซีย สตินซีสมาธินซีและก็ปัญญินรียอินซีห้าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิอินรีย์ที่เป็นผลเนี่ยนะผลของการปฏิบัติอินซีย์นี้เป็นเป็นโลกิยะนะเน้นอธิบายเป็นอินรีย์ที่เป็นโลกิยะที่เป็นข้อปฏิบัติส่วนอินรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติที่เป็นโลกุตระหนึ่ง อนัญญาตันยัสสามีตินสีสองอัญ si. ยินรีย si. แล้วก็อญยาตาวินรีย์เรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติอินทรีย si ์ที่เป็นโลกุตระแบ่งเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ก็จะจําได้ทั้งย si. ี่สิบสองอินสีนะเขาคงจําไม่ก็ยากเท่าไหร่โยมท่องมานานและสบายแล้วนะ